แต่ก่อนจะพูดค่อยฟังให้ดีนะนิพพานรออยู่ 1 สกายทิฐิแต 2 วิจิกิจฉา 3 ทิรัพพตะ 4 กามฉันทะ 5 ปฏิฆะ 6 รูปราคะ 7 อารูราคะ 8 วรรณะ 9 อุทธัจจะ 10 อวิชชาฟังแล้วไม่รู้เรื่อง เป็นอารมณ์ของพระมีความรู้สึกเบือนน้อย มีจิตเป็นสังขารเพราะคายานเป็นปรโพธิ์อย่าง ถ้าตัด 4 คือกามฉันทะไม่ข้อที่ 5 ปฏิฆะไม่มีอารมณ์ 5 คือรูปราคะไม่ติดใจในรูปฌานคือ เพราะตะจะไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านติดปรุง <c oughs> สมถะภาวนาไม่ใช่ อรหันต์ 2 นิวัเตวิโชคือ 3 ก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าตอนชาน 2 รูปนิพพานสันติญาณระลึกชาติ 3 ก็บทที่ 3 ก็เป็นอภิญญา 6 เพราะดารัตติยา 6 ขณะที่ได้ฌานโลกีย์ต้องได้ฤทธิ์มีมีอภิญญาถึงแสดงฤทธิ์ 1 แสดงฤทธิ์ได้ ต้องเป็นทิพพโสดัยญาณทิพพโสดสดขึ้นเนื้อนี่มันเป็นทิพย์ไม่ได้อาตมาไม่ได้ค้านหนังสือหนังสือเขียนผิดก็ต้องค้านความจริงตามความเป็นจริงต้องเขียนว่าทิพพโสดัยญาณมีความรู้ทางหูไม่ที่เรียกว่าโหหู ตบวัญยานเป็นเครื่องรู้ทางหูรู้ได้ไกลแสงไกลเสียงเทวดาเสียงผีเสียงพรหมเสียงนิพพานศีลนรกเห็นถึงเปรตสุรกายรู้ได้หมดคนจะพูดไกลแสงไกลขนาดไหนก็ตามต้องการจะทราบทราบได้นี่ยานกับความวิถีของหูจะธรรมดาต่างกันถ้าความวิถีของหูธรรมดาเราต้องฟังเฉพาะเวลาที่เขาพูด เขาพูดว่าแล้ววันกี่แสนกลับก็ตาม 6 มี 1 อิทธิดิถิ 2 ทิพพโสตญาณมีญาณทางหูภาษาหู แล้วก็ 4 ปุคคเพนิวาสสันธิญาณรัตชาติได้ฆาติทิพุญาณตาฆาติทิพุญาณหนังสือตาธิปอยู่แล้วไม่ใช่ตาธิปมีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาธิปรู้ อันนี้อรหันต์หมวดที่ 4 อรหันต์หมวดที่ ที่สั้นๆสามารถอธิบายให้กว้างขวางได้และก็ถูกต้องของธรรมะแปลธรรมะไสยมิทาข้อความใด แล้ว 4 ปฏิภาณะเป็นสมิธามีความฉลาดในปฏิภาณคือมี 4 หมวด 1 สุขเวสโก 2 เทวิโช 3 สัลคะปัญโญ 4 ปฏิสัมภิทัปปโฑคือรวมความว่า ถ้าจะถามว่า ก็ขอตอบว่าคนทุกคนทํา เมื่อตั้งธนาคารได้แล้วเงินมามีเป็นแสนล้านแล้วใครจะกลับไปทำนา โดยรวม 2 ใน 3 ก็ 5 ใน 6 ก็ดีก็ต้องการเพื่อเป็นกําลัง อ่าแล้วบางท่านฟังเทศน์ 2-3 วันไปหลานพร้อมปริสัมมิทายานแต่คําว่าปริสัมมิทายาน แล้วทำไมคนที่ไม่เคยเรียนเลยทำไมจะทรงได้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยคิดอัตตัญใจอยู่นานจนในที่สุดก็ มีความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกพูดถึงอะไรท่านจับเพียงแค่ ก็กราบเรียนว่าเคยอ่านมา 3 ปีถือว่าปีละจบคือก็ถาม <c oughs> ไอ้คำว่าเข้าใจในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นปริสิทธิ์วิทยาญญ์ไปด้วยเพียงแต่เพียงว่าอ่าน 10 นาทีกว่าตอนนี้ไปก็มาคุย สมเด็จพระพุทธที่เจ้าทรงยืนยันว่านี้คือเจ้าของนี่ยังไม่ตายและ เป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายคือเป็น <c oughs> พระองค์นี้มีความสําคัญมากอ่าเรียกว่าวันนี้ทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานและก็ไม่มีนิมิตนิทานก็ดีนิมิตก็ดี ว่าตอนนี้ปรากฏว่าพระมุขคลาพระมุขคลานี่ท่านเป็นไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้ใจ ว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหนคนนี้ตายไป เพราะเหตุที่พบมา อันไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนั่งขัดอรรถหมัดมือซ้อนกันนี่ แต่ว่าพระอรหันต์ไปปฏิบัติไม่แสดงออกไม่ชงงอย่างที่พระพุทธเจ้า จริงๆแล้วกันแต่พวกชูงวงคุณจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่เธอทั้งหลายจงอย่าชูงวงเข้าไปสู่ตนว่าฉันเป็นขั้นนั้น ปุคคลาทําตนเหมือนแมลงผู้ขึ้นไปเถยน้ําหวานจากกิน ก็ไปเจอวิมานที่เคยพบ <c oughs> <c oughs> ท่านจึงหันไปถามเทพบุตรที่อยู่ใกล้ถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านเทพบุตรองค์นั้นจึงตอบ พระสาวกของพระองค์ทรงเสด็จประชญาวรนั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้เท่าไหร่หรือท่านว่าท่านเทวดานั้นท่านก็บอกว่าเทพบุตรนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้ ที่สังถานนายความจริง 2017 สังถานของตายคือพระจัดใจที่นำมาสังถานด้วยก็เป็นสังถานด้วย entiallyสังถานดร้อย เพราะสอัศเทษius shipping อักษาว هوเท้า từ ก็เธอทั้งหมดก็กล่าวว่าอัญติตขอบคุณเจ้าว่างๆใจหวึ่ง เธอคุณเจ้าขลับตรงไปเมืองมนุษย์ไม่โปรดกว่ากนั่นธิยะมานบด้วยว่าเวลานี้วิธิมันใหญ่โตสวยงามพี่สุดภัยกลงแรวในดัววัติงสเตวะโลกเป็นที่อยู่ของท่านและมีนางฟ้านับฝันพันภัยความรุงมำเริ่วอยู่ขอให้นั่นธิยะมานบละจากแบบภาพจากความเป็นคน คือรีบตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่าเธอเปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็มันก็ใช้ขาดินเหนียวพออยู่ บางติงพระอรหันต์ก็ฟังเทศน์ <c oughs> ถ้าเกิดมี ตามอุปาทานอาตมาก็เคยเกิดเคยพบ อาตมาถามมาถามถึงเหตุจึงจะเกิดข้างหน้า 1 ชั่วโมงต้องการผลก็ต้องการผลใน 1 ชั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็ แกบอกว่าดูซ้ายมือดิพอดูซ้ายมือเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจะมี องค์สมเด็จพระจอมไตรสุรสดับไปเห็น ก็ง่ายๆแต่ใครก็ okay, 2 3:00 น. 2 กลับมาตอนนั้นอิริบอกว่าเป็นนั่ง 7 แสน คอยปลุกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิเติญอย่าเข้าไม่ได้คอยกอดอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดา วันวันที่ผ่านมาแล้วถ้าเวลาวันมาวัน ก็มีคนถามว่าใครบ้านจัดสรรใช่ไหมก็บอกว่า เวลาเหลือ 1 นาทีเสร็จๆก็ขอบรรดา 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ การ 5 ประการนี้ถ้าทําได้บรรดาทั้ง มีเพื่อนมากเลยต้องมีคนต้องการคบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ การพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสําคัญมากบรรดาจะพูดภาษาศึกษาให้ดีเป็นเสนีมหาศาลต่อมา ถ้าปฏิบัติตามศีล 5 ญาณองค์สุนิธิกิจนิกรจัดไปแล้วนี้บรรดาท่านทั้งหลายเค้าถือว่าเป็นศีลานุปัสสติกรรมฐาน